ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาหันตสัมมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปัพพะบุพะสิกขาและบุพะสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรสนาต่อไปก็เป็นเสนาสนะปฏิสังยุตเรื่องของเสนาสนะต่ออีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกนะ แม้เสนาสนะที่ทายกเขาจัดแจงไว้รับพระสงฆ์ก็ไม่ควรกลางกัน้นโดยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวอุดิสกะตังติยถาวุฒังปะฮิบาหิตบังดันงนี้ว่าแม้ถึงเสนาสนะเขาเฉพาะพระสงฆ์คือเขาจัดไว้เฉพาะพระสงฆ์เนี่ยทําไว้จัดแจงไว้ก็อย่ากลางกัน้นห้ามหวงเอาตามผู้แก่ปรญหาถ้ากลางกัน้นต้องถูกกดเขาก็จัดไว้ก็ต้อง ให้เป็นไปนตามที่เขาจัดไว้จะตีหัวงห้ามการกั้นอะไรไม่ได้ข้อหนึ่งอย่าเอาเครื่องเสนาสนะจะพึงบริโภคในที่อื่นไปบริโภคในที่อื่นของที่ก็ใช้ในเสนาสนะไหนก็ต้องเอาไว้ในที่นั้นถ้าอยู่ไม่ใช้ต้องมาเก็บถ้าไม่เอามาเก็บก็มีโทษด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิกขเวอัญญัตระปริโภโคอัญญัตระปริพุนชิตะโบแปลว่าเตียงต่างเป็นต้น เป็นของจะพึงบริโภคในเสนาสนะอื่นซึ่งเป็นของสง์ย่าพึงเอาไปบริโภคใช้สอยในเสนาสนะอื่นถ้าเอาไปบริโภคในที่อื่นต้องทุกกฎก็แลจะขอยืมไปใช้สอยหรือจะเอาไปรักษาหวงไว้ในที่อื่นเพื่อจำไม่ให้ชิบหายเสียควรอยู่ถ้าเสนาสนะปลวกขึ้นอะไรต่างแล้วก็เอาไปรักษาไว้อันนี้ไม่เป็นไรด้วยทรงอนุญาตเลยว่าอนุชานามิพิกขเวเข้อความละ ตาวากาลิกังหาริตุงอนุชานามิพิกเวขความละอีกคุดตัทฐายะฮาริตุงดังนี้เพระเหตุนั้นเมื่อเอาไปบริโภคเป็นสังขิกะก็คือเป็นของสง์บริโภคนี้ที่อื่นเนี่ยถ้าเอาไปบริโภคเป็นของสงให้คนอื่นใช้ด้วยแม้หายและค้ำค่าไปก็เป็นอันหายและค้ำคร่าไปด้วยดีไม่ต้องชดใช้คืนถ้าไม่หายไม่ค้ำค่าไปเตี้ย เมื่อวิหารกูดีนั้นเขากลับซ่อมแปลงเข้าก็เพิ่งทําของนั้นให้เป็นปกติขึ้นอีกก็คือไปคืนที่เดิมถ้าที่นั้นเขาทําเรียบร้อยแล้วก็ไปคืนที่เดิมเมื่อเอาไปบริโภคเป็นของบุคคลก็คือใช้เป็นของส่วนตัวเลยไม่ให้คนอื่นใช้เลยของนั้นหายหรือว่าค้ำแคล้วไปเสียย่อมเป็นสิ่งใช้ต้องใช้คือถ้าใช้ของส่วนตัวเมื่อวิหารกูดีนั้นเขากลับซ่อมแซงขึ้นแล้วต้องใช้ให้เป็นแน่แท้ต้องมาคืนแน่นอนไม่งั้นมีโทษ ถ้าเอาเครื่องอาวาสมีกรอนเป็นต้นมาแต่เสนาสนะเตามาประกอบผสมเข้าในอาวาสเป็นของสงอื่นแล้วไซชื่อว่าประกอบเข้าด้วยดีก็แลเอามาประกอบเข้าในอาวาสเป็นของบุคคลพึงให้หมูนค่าถ้ามาใช้เป็นของบุคคลของส่วนตัวไม่ใช่ของสง น, นี้ต้องเอามูลค่าไปให้พวกกรอนพวกขืออพวกอะไรก็แล้วแต่หรือพึงทาให้เป็นปกติไม่ไงั้นก็เอาไปใช้คืน เมื่อถือเอาเตียงต่างเป็นต้นแต่วิหารร้างด้วยเถยจิตพึงปรับตามราคาของเลยถ้าไปเอาของวัดร้างเ่ยนะวัดร้างก็ยังเป็นของสงอ่ะไม่ใช่ของตนตัวจึงนั้นก็ปรับตามอาัปบาทเลยเมื่อถือเอาเตียงต่างเป็นต้นแต่วิหารร้างด้วยเถญยจิตก็ปรับตามราคาของเมื่อยกของนั้นขึ้นเมื่อถือเอาด้วยคิดว่าจับให้ในคราวภิกษุมาอยู่ในอวาา น, นั้นอีกแล้ว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 ก็คือให้เจริญบริขานของสงนะนะเคยทําบ่าวพาติกรรมแลกเปลี่ยนของสงให้ของสงเจริญขึ้นก็แลกพาติกรรมแลกเปลี่ยนให้เจริญของสงนี้ราคาเท่ากันหรือยิ่งกว่าเป็นเสนาสนะมีเตียงต่างเป็นต้นอย่างเดียวจึงควรก็ต้องให้ได้ราคาเท่ากันหรือว่ายิ่งกว่าถึงจะต้องแลกให้เป็นของสงให้น้อยกว่านี่ไม่เอาข้อหนึ่ง ภิตุฉันจังหันค้างอยู่อย่าให้ลุกด้วยโต๊ห้าไว้ว่าณพิขเววิป ต, ต, ตะตะโพชโนอนันตริโกพิกขุวุฏถาเปตโบก็ความละวดามิแปลว่าภิกตุอย่าพึงไล่ภิกตุผู้อยู่ในลำดับฉันพ้างอยู่ในละแวกบ้านหรือในวิหารหรือว่าในป่าแห่งใดแห่งหนึ่งให้ลุกถ้าเธอใดไล่เธอนั้นให้ลุกขึ้น คนไหนไล่คนนั้นก็ต้องเอาผัดทุกกฎในเลวด้านภิกตุผู้มาภายหลังถือเอาภิกขะแล้วพึงไปยังที่สมควรถ้ามนุษย์หรือว่าภิกตุทั้งหลายร้องนิมนต์ให้เข้าไปในโรงฉันพึงว่าครั้นเราเข้าไปภิกตุทั้งหลายจะลุกขึ้นครั้นข่าวว่ามาเถิดอาสนะมีอยู่ดังนี้พึงให้เข้าไปเถิดถ้าไม่มีผู้ใดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพึงไปในโรงฉันแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรอย่าให้ใกล้นะัก เมื่อเขาทําโอกาสแล้วก็ร้องมิมนให้เข้าไปพึงเข้าไปเถิดถ้าแลพิสุไม่ได้ฉันนั่งอยู่ในอาสนะที่ถึงแก่เธอนั้นไซจะให้เธอนั้นลุกเสียก็ควรถ้าชันเรียร้อแล้วฉันหมดแล้วนั่งอยู่เฉยนี่ก็ให้ลุกได้ก็แลพิสุฉันข้าวต้มขนมเป็นต้นสิงได้ิึงหนึ่งอยู่แล้วนั่งอยู่จนกว่าพิสุอื่นจะมาแม้มือเปล่าอยู่จะให้เธอนั้นลุกไม่ควรก็พึ่งจะฉันเสร็จจะไม่ได้ฉันแล้วไปว่ากัน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 ใช่ไหแต่ว่ามันพึ่งฉันเสร็จแล้วก็ห้ามพัดแล้วห้ามพัดแล้วก็ลูกด้านการบอกนิมนต์ท่านช่วยหาน้ำหน่อยนี้ไม่มีอบดับแต่ถ้าที่อื่นนะมีอบับดับตอนที่ฉันแล้วห้ามพัดแล้วแล้วก็เขาให้ลุกก็ให้ไปหาน้ํามาได้ถ้าได้น้ํามาเป็นการดีดพเพราะพระเถระหรือว่าพระแกกว่าก็เรื่องอะไรจะไปเอาใช่ไหมก็ไม่ไปเอาก็ได้ถ้าได้มาก็เป็นการดีถ้าเธอนั้นไม่เอามาเล่าไซด์ ผู้ห้ามพัดนั้นคือพิกูโหนุมนั้นพึงกลืนมเม็ดข้าวเสียให้หมดหมายถึงว่ายังเคี้ยวอยู่ยังมีเม็ดข้าวอยู่ก็กลืนให้หมดด้วยดีแล้วให้อาสนะแก่ผู้แก่เถิดเราตถาคตไม่กล่าวว่าให้พิกจุพึงห้ามอาสนะพิจุแก่โดยประยายอันหนึ่งเลยถ้าพิกูโหนุ่มใดห้ามคงต้องถูกกดพิกูโหนมก็ต้องลุกให้ไปเอาน้ํามาไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็กลืนข้างลงไป ข้อห้ามพักนี่ถ้าพิจูตกําลังฉันอยู่นะแล้วก็มีคนเอาอาหารเข้ามาให้ในตาบานแล้วพิจูตบอกว่าพอแล้วโยมตอนเนี้ถือว่าเป็นการห้ามพัดแล้วนะถ้าลุกขึ้นแล้วต้องเลิกฉันอีกแล้มาฉันอีกไม่ได้ถ้าไปฉันอีกต้องบัตตะจิตตีอันนี้ก็เรียกว่าห้ามพักจะพูดด้วยกายด้วยวาจาก็แล้วแต่เพะนั้นถ้าฉันครั้งเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าฉันหลายครั้ง ถ้าไปห้ามพัดแล้วลุกขึ้นแล้วจะมาฉันอีกไม่ได้พอแล้วโยองนี่นะพอแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาจะมีการเอาเข้ามาฆ่าเนี่ยเอามาเติมให้พระบางงค์ก็บอกพอแนละ้วคราวนี้พอแล้วนี่ยนะพอลุกจากที่นั้นแล้วไปฉันที่อื่นอีกโยงก็เห็นนะสิ<ม>อ้าวไหนบอก่ถนนอพอแล้วไงไปฉันอีกได้ยังไง<ม>ก็เลยติเตียนเป็นต้นเหตุบัญญัติเลยว่าถ้าห้ามพัดแล้วห้ามไปฉันอีกแต่ว่าจะฉันอีกก็ได้นะต้องทําวินัยกรรเอาไปให้กับพระพิจูตที่ฉันท้างอยู่ อาชั่นช่วยทาที่ในกรรมให้หน่อยไอ้สิ่วที่ฉันค้างก็ตักมาหน่อยนึงก็เอ้าผมตักแล้วนะเทเนี้ยพอละเอาไปฉันได้อีกพระที่ห้าพรร์ทก็เอาไปฉันได้อีกหรือว่าฉันของพิกจุไข้ก็ได้ข้อหนึ่งอีกทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวพันดาคาริโกวุฒาเปตาโบแปลว่าอย่าไล่ให้พิกจุผู้รักษาเรือนคลังลุกไปถ้าให้เธอลุกไปเสียต้องถูกกด คือไปพักอยู่ในเสนาสนะของสงผู้ที่รักษาเดิมครังเนี่ยแล้วไปไล่ให้เขาออกจากเสนาสนะเนี่ยไม่ได้ต้องถูกกดข้อหนึ่งอย่าไล่ให้พิกตุไข้ลุกถ้าไล่ให้ลุกไปต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิฆเวคิรานาวุฒาเปตะบาดังนี้พิกตุสี่จำพวกไม่ควรไล่ให้ลุกนี่หมายถึงว่าอยู่ในเสนาสนะของสง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 ไม่ควรจะให้ลุกด้วยเธอมีอุปการะและได้ที่อยู่แต่สอ์ข้อที่สี่ก็คือพิกจุไข้จําพวกหนึง่งไม่ควรจะให้ลุกด้วยเธอเป็นไข้เพิ่มกําหนดที่นอนที่สมควรให้แก่พิจุไข้ด้วยตรงอนุ ญ, ญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกขเวกความละฮิลานัสระปฏิรูปังเสยังดาตุงดังนี้พิจุใดเป็นโรคหืดและบันทโรค และลงแดงเป็นต้นจะต้องตั้งกระโถนและกระเบื้องรองเวทก็คืออุจระเนี่ยเป็นต้นไว้สําหรับก็คือเตรียมเอาไว้หรือเป็นโรคปุดถังหมายถึงที่เรือนจะประทุษร้ายเสยนาสนะพึงให้เสนาสนะส่วนข้างหนึ่งเป็นต้นว่าภายใต้ประสาทและมณฑปสาลาแก่เธอผู้เป็นไข้เช่นนั้นและผู้เป็นไข้ใดเมื่ออยู่จะไม่ประทุษร้ายเสยนาสนะผู้เป็นไข้เช่นนั้นแม้ที่นอนที่ดีก็พึงให้เถิด แม้ภิสษุดใดฉันเพตัดเป็นต้นว่ายาดองและยาประจุและยานับอยู่เธอทั้งปวงนั้นชื่อว่าเป็นไข้สิน้นถึงว่าเป็นไข้ทั้งหมดพึ่งกำหนดเศนาสนะที่สมควรให้แก่เธอนั้นนั้นข้อหนึ่งพึ่อุปถาภิกษุไ ข, ข้ด้วยพระองค์ตรัสไว้ว่านัตติโวพิคเวมาตาข้อความละลุกกระตาาักแปลว่า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 ผู้ร่วมอาจารย์แห่งพิสุเป็นไข้นั้นไม่มีคือเธอเป็นอาคันตุกะเที่ยวมาแต่ผู้เดียวเธอนั้นสงพึงอุปถากเธอถ้าแม้ไม่อุปถากต์ไปต้องทุกกดด้วยกันทั้งสิลทั้งวัดเลยถ้าไม่ดูแลพิสุไข้ถ้าเป็นอาคันตุกะมาแล้วป่วยไขย้ไม่มีใครดูแลต้องอาบัตทุกรูปเลยต้องถักเวรกันดูแลก็แล้วเมื่อพิกสุทั้งปวงตั้งเวรกันปฏิบัติผู้ใดไม่ปฏิบัติในวาระของตน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 ที่เฉียบแหลมเผ็ดร้อนไม่เจริญใจอาจนําชีวิตเสียดได้เกิดขึ้นมีในตัวก็คือเป็นคนที่ร้องโวยวายที่บ่นจู้จี้ไม่อดทนอันนี้ก็ดูแลได้ยากพิกสุขไข้พร้อมได้องค์เป็นคุณห้าจะอุปถาธเธอได้ง่ายก็คือมัดทําความสบายก้อนที่สองรู้ประมาณในความสบายก็คืออะไรเป็นสัปปายะไม่เป็นสัปปยะก็เลือกเฟ้นเอาแต่สัปปยะแล้วก็เศษเศษตัดไรโภกยาตามเวลา กระทําให้แจ้งตามความเจ็บตามความจริงเจ็บปวดรวมันลดลงเพิ่มขึ้นก็ บ, บอกตามความเป็จริงแล้วก็เป็นชาติแห่งคนอดกลั้นอดทนอันนี้เป็นคุณสมบัติของที่สุขใข้ที่จะดูแลพยาบาลได้ง่ายผู้อุปถากคนไข้พร้อมได้องค์เป็นโทษห้าไม่สมควรจะอุปาถากจะมาดูแลคนป่วยไข้นี่ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคือไม่อาจจัดแจงประกอบยาได้ปรุงยาไม่เป็นสมัยก่อนก็ต้องปุงยาเองอะฉะนั้นถ้าปรุงยาไม่เป็นมาดูแลคนไข้ไม่ได้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 ไม่มีจิตประกอบด้วยเมตตาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปอุปถาดหรอกเป็นคนมักเกลียดเพื่อจะนําไปเสียซึ่งอุจจาระปัสสาวะหรือน้ําลายหรือว่าอวกราดอะไรต่างๆเหล่าเนี่ย น, นะถ้าเป็นคนที่รังเกียจเป็นคนที่เสียดเอียนง่ายๆเนี่ยไม่ควรดูแลพิจูบป่วยไข้แล้วก็ไม่อาจชี้แจงให้สมาทานให้อาหานให้ร่าเริงด้วยธรรมนีกถาได้งัพระพิจูบที่จะมาดูแลพิจูบป่วยไข้ต้องรู้จักธรรมะแสดงธรรมปลอบโยนให้มีกําลังใจอะไรต่างๆ ส่วนภิกษุที่มีองค์ที่เป็นคุณห้าประการพ้นจากองค์ที่เป็นโทษห้าดังกล่าววนี้จึงจะสมควรอุปถาภิกษุใข้ก็ต้องเลือกเฟ้นเหมือนกันข้อหนึ่งอีกภิกษุและสามเณรทําการลัทธิริรยาแล้วบริขารเป็นของสงฆ์ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าภิกขุสะภิกเวกาลกเตสังโคสามีปตะจีวเรกความละอะเวพังขิกังแต่ว่า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 ยอมให้สงที่พร้อมหน้ากันอยู่แจกกันได้ในของเหล่านั้นสิ่งใดเป็นครุพันเป็นครุบริขารของสิ่งนั้นเป็นของจัตุทิศสงก็หมายถึงสงที่มาจากทิศทั้งสี่จัตุกทิศซึ่งมาและไม่ได้มาจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่ใครมาก็ใช้ได้ทั้งหมดเป็นของสละไม่ได้นะถ้าครุพันแจกกันก็ไม่ได้ด้วยใครแจกใครสละต้อบัตรทุนละใจเลยจะเป็นครุพันของสง ก็แล้จะให้บาจีวรแก่ภิกษุผู้อุปถา ค, คนไข้นั้นให้ผู้อุปถากนั้นพึงเข้าไปใกล้สงแล้วว่ากล่าวว่าอิท่านนาโมพันเตภิกขุการกตโตอิดังตาสติจีวรัญจะปัตโตจะถ้าเป็นของสมณเณรก็ว่าดังนี้ว่าอิท่านนาโมพันเตทามเนโรการกตโตอิดังตาสจีวรัญจะปัตโตจะทั้งสองบาลีนั้นแปล ว, ว่าภิกขุชื่อนี้ทําการละกิริยาแล้ว อันนี้ตรจีวรและบาดแห่งเธอนั้นหรือว่าสามเณรชื่อนี้ทําการเลิกิริยาแล้วอันนี้จีวรและบาทแห่งเธอนั้นพึงว่าดังนี้ก่อนแล้วทรงพึงสวดประกาศด้วยยติทุติยกรรมวาจาหมอกของนั้นให้ว่าสุมาตุเมผันเตสังโฆอิทานนามมันณโนภิโคกาลกตโตอิดัง ต, าสาตัสสติจีวรัญจัปโตจยะยดีสังขาสา ป, ปะตะกัลัง สังโฆติจีวรัญจาปัตตัญจาทิลานุปัฏฐากานังดะเดยะถ้าเป็นของสำเนงต้องให้แว่แต่จีวรังอันหนึ่งจะให้ด้วยอัปโลกนกกรรมก็ควรให้ด้วยอัปโลกประกาศสามครั้งก็ได้แม้สามเณรผู้อุปถาผู้เป็นไข้ก็ได้ตวนเสมอกับพิกษุด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวข้อความละทิลานุปัฏ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 นาภิกขเวเลสากเะเปนะเศนาสนังปฏิบาหิตบังแปลว่าอย่าพึงห้ามเศนาสนะด้วยกำหนดเล่ถ้าห้ามดังนั้นต้องทุกกดข้อหนึ่งอีกทรงอนุ ญ, ญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวข้อความละปัญจหังเคหิสมณทตังภิกขเศนาสนะคาหาปะกังสำ ม, มัญนนตุงข้อความละทารยามีติ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 ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวก็ความละปัทมังพิกขูขเนตุงพิกขูขเนตตะวะสียาขเนตุงสียาขเนตตะวะสียัคเคนาคาเหตุงอนุชานามิพิกเวก็ความละอนุภาคังปิดาตุงกาหิเตอนุภาเคอัญโยภิกขุอาคัจตินากามาดาตับโบดังนี้ ครั้นส่วนเพิ่มบัญชาให้ถือเอาแล้วหมายถึงว่าใช้ถือเอาแล้วเนี่ยนะเท็กตัวอื่นมาถึงเข้าไม่อยากจะให้ก็อย่าให้ถ้าแล้วเธอองค์ใดถือเอาแล้วเธอองค์นั้นจะให้ส่วนเพิ่มหรือว่าส่วนแรกตามชอบใจตนก็ควรเพราะนั้นจำปรญษาถ้าเป็นกุฏิวิหารของสงนี่นะไม่มีติดก็คือถ้าแจกไปแล้วไม่ได้าตาังนั้นหมายถึงว่าถ้าจำปรญหาแจกไปแล้วก็คนอื่นก็มาได้ไม่ได้ แต่ถ้าเกิดออกพรรษาแล้วนี่นะพระอคัณตุ ก, กะมานี่ต้องถามพรรษานะพรรษาใครมากดีในอยู่ในเสนาสนะที่ดีพระวิสุทธิที่อยู่ในเสนาสะนะนั้นก็ต้องย้ายธรรมสารอ่อนก็ต้องย้ายพรรษ า, า ม, มากอยู่ในเสนาสนะที่ดีนอกจากว่าให้ถือเสนาสนะในตอนเข้าพรรษาถ้าถือเสนาสนะแล้วก็ต้องอยู่ไปตลอดพรรษาแนละ้วตอนนี้ไม่ย้ายแล้วามมามไม่ย้ายพระนันทวิสุทธิคนแจกฉลาดก็ต้องไป เตรียมเอาไว้วที่สองที่ต้องเตรียมเอาไว้นอกบรรษาก็ตามนะอย่งั้นย้ายกันชมูมนลถ้ามาตอนกลางคืนกน็ยุ่งเลยก้อนหนึ่งอีกอย่าให้ภิกษุผู้ตั้งอยู่ภายนอกอุปจาระติมาถือเอาเศนาสนะด้วยถ้าให้ถือเอาต้องถูกกฎมื่อตรงห้ามไว้ว่าณพิชเวนิศสีเมถิตัดสะเศนาสนางังคาเหตบังดังนี้ ได้แต่ให้พิกสุผู้ตั้งอยู่ในภายในอุปจารสีมาอย่างเดียวถือเอาแม้ถึงไกลก็ได้ข้อหนึ่งผู้ได้ส่วนเสนาธนะที่แจกแล้วอยาพึงห่วงห้ามการกัน้นพิสุอื่นสิ้นการทั้งปวงถ้าห่วงห้ามดังนั้นต้องทุกกดการกั้นได้แต่ในภายในภาษาสามเดือนเท่านั้นในอุตุ ก, การพ้นภาษาแล้วการกั้นไม่ได้ด้วยตรงห้ามและอนุญาตเลยว่าณนะพิขเวเส น, สนาทนังขเหตตาวะ สัปปะาลังปฏิบาหิตบังข้อความละอนุชานามิพิกเวข้อความละวาสาัสนางเตมาสังปฏิบาหิตุงอุตุกาลังณปฏิบาหิตุงดังนี้การถือเอาเศนาสนะนั้นมีสามอย่างก็คือปุริมิโกโหให้ถือในวันเข้าราษาก่อนเข้าราษาต้นปาชิมิโกหให้ถือในวันเข้าภาษาหลังอันตรามุตตะโกหให้ถือในวันแรมค่ำหนึ่ง เดือนสิบเอ็ดหลังวันมหาเปรน า, าคือออกภาสาแล้วว่าให้ถือใหม่ได้ถือเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รักษากุฏิวิหารนัง้นงั้นถ้าพิสุหนีหมดไมนน่มีใครดูแลใช่ไหมแล้วแค่ดูแลก็กุฏิวิหารก็พังสิแล้แลวก็ออกภาษาตรงนี้ให้ถือเอาได้เพื่อที่ว่าเยอะถึงพรรษาหน้าก็จะได้ล่า ก, ก็คือผ้าจำนำปรรษาแต่ว่าภาษานี้ไม่ได้นะ ภาษานี้คือคนไหนก็จําจำภาษาคนนั้นก็ได้ไปแล้วไงสมัยก่อนนี่ก็จะมีกุฏิของใครมาสร้างก็จะมีผ้าจํานำราษาแล้วก็มีลาบให้จะได้มาดูแลกุฏิของเขาไงยุคนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ค่อยมีประเพณีนี้น่ลนะแต่สมัยก่อนก็จะมีผ้าจํานำภาษาใคร จ, จนำนรภษ า, าแล้วก็เขจะนํามาถวายแล้วต้องช่วยดูแลกุฏิวิหารด้วยก็ อันตรามุตโกเนี่ยให้ถือในวันแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดหลังวันมหาปรน า, าเพื่อจะให้อยู่จำภาษาต่อไปในปีหน้าอีกแต่ว่าต้องดูแลรักษาไปยนทั้งถึงปีหน้านั้นโดยบาลีว่าตะโยเมพิกเวเสนาสนะคาหาปุริมิโกก็อความละอิเมโคพิกเวตะโยเสนาสนะคาหาความว่า เสนาสนะใดามีลาบมากคือทายกผู้เจ้าของเขาถวายผ้าจำนำภาษาและสมณบริคารมากแก่ทิศผู้อยู่ในเสนาสนะพระมหาเถระมาแต่ไกลจำภรษาอยู่ออกปรรษาแล้วก็ได้ลาบแล้วก็หลีกไปเอาลาบไปด้วยเสนาสนะนั้นชมรดจ้าวาดไม่เดียวแลพระองค์ทรงอนุญาตให้ถือเสนาสนะนั้นเป็นอันตรามุตตะเพื่อจะอยู่ต่อไปอีกในพรรษาหน้า จะได้ปฏิบัติเสนาธนะ น, นั้นกุฏิเนี้ยมีราบเยอะนะท่านท่านจะถือไหยถ้าถือกอ่าดูแลไปเดี๋ยวถึงจำพรรษาหน้าแล้วก็ใหเอาราบถ้าถึงปรรษาหน้าแล้วพระเถระมาแต่ที่อื่นจะมาถือเอาอีกไม่ได้อ๋อองงนี้ดูแลมาองงนี้ดูแลมาตลอดแล้วท่านไปไหนมาจะมาถือเอาอีกไม่ได้นะถือว่าพรรษาแล้วมาจําพรรษาได้หน้าไปเดี๋ยวจะไปจาปัญหาอีกใช่ไหมจะมีอย่างนี้เหมือนกันนะ มันก็ไม่ได้แล้วต้องมีกติกาไม่งั้นจะจะมาะเฉพาะจะเข้าบรรษาเท่านั้นเององกพราแล้วไม่มาช่วยดูแลเสนาสนะก็เสนาสนะก็พังหมดแต่ทิสุผู้ได้เสนาสนะนั้นในอุตุการจะอาศัยในกลางวันกลางคืนได้อยู่แต่ทิสุผู้แก่มาอย่างห่วงห้ามทิสุผู้แก่ป็นสามา น, นี้อย่าห่วงห้าอันหนึ่งการถือเสนาสนะนั้นมีสองถ้าให้ถือเสนาสนะเนี่มีสองก็คือ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 ยุ่งยากวันเข้าบรรษาพู้นั้นก็จะแจกเป็นานสนะการลําบากให้เตรียมตัวไปก่อนอย่าไปในวันเข้าบรรษาจะคับแคบลําบากยังประมาณอีกสักเดือนหนึ่งจะเข้าบรรษาจึงไปจะได้ไม่ลําบากด้วยที่อยู่เป็นต้นฝ่ายเทตูเจ้าอาวาสเล่ากระพึงชําระวิหารซ่อมแปลงที่สลักหักทางเสียตอนแต่วันเข้าบรรษาเทก่ยงเป็นอาการทุกขมาอาศัยอยู่จะได้อยู่เล่าเรียนศึกษาสบาย แล้วเจ้าอาวาก็พึงประชุมกันสมมุติเสนาสนะทาหาประกาศผู้มอบเสนาสนะขึ้นซักสองรูปหรือว่าสามรูปผู้หนุ่มจะได้มอบให้แก่ผู้แก่ผู้แก่ก็จะได้มอบให้แก่ผู้หนุ่มสมมุติที่ถูกแจกเสนาสนะให้เลือกสองสามรูปแล้วผู้ได้สมมุตินั้นต้องรู้จักที่เป็นเสนาสนะและมิใช่เสนาสนะถึงวันเข้าภรษาพึงกําหนดลาบที่เกิดขึ้นในเสนาสนะนั้นมอบให้ตั้งแต่เทระลงไป โดยกำหนดเสนาสนะน้อยและมากดังกล่าวและในกรณถ้าผ้าจํานำรรษาทายกเขาถวายแก่พิจุผู้อยู่ในเสนาสนะนั้นมีก็พึงมอบให้ด้วยคำว่าทันเตตุมห้ากังอสุกังเสนาสนังปาปุนาติปัจยังวะคันหทะว่าเป็นสาบาลีนนะบอกว่าเสนาสนะนูน้นถึงแก่ท่านท่านจงถือเอาปัจใจ มีปัจจัยให้ด้วยก็คือพระจำนำบัญชาเกาวดังนี้ถ้าเป็นอ่อนกว่าก็อาวุโสถ้าเกิดเป็นสัญนาสนักใกล้ก็อิดังอาวุโสตุยหั่นอิดังเสนาสนางตาปูนาติปัจจะยังวะคันหะกระบอกให้ถือเอาเสนาสนนั้นถ้าลาบไม่มีก็ให้ว่าตุมหาตังอสุกะเสนาสนางปาปูนาติดังนี้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 พิสุผู้เดียวอย่า ก, การกั้นเสนาสนะสองแห่งถ้าการกั้นต้องทุกกฎได้ทรงห้าไหมไว้ว่าะพิคเวเอเกณะเดาเวปกิบาหิตับบาดังนี้พิสุบางรูปในวันเข้าพรรษาถือเสนาสนะในวิหารแห่งหนึ่งแล้วไปถือเสนาสนะในวิหารอื่นอีกพระอะไรอ่ะพระอุปนทสักยบุตรแถามวัดนี้นี่มีราบอะไรบ้างบอกมีผ้าจมันสาผืนหนึ่งครับวางไมท้เอาไว้ ไปวันหนึ่งวันนี้มีลาบอะไรบ้างมีผ้าครับมีผ้าเหมือนกันแต่สองเก้าสอเอาวางรองเท้าเอาไว้ไปวันหนึ่งอ่ะตามใบขาดูวางไงพออาภาษาปุ๊บนี่ผมวางรองเท้าไว้เห็นไหมผมต้องได้ไม <นะ S 2> มาดูแลเลยไม่มาดูแลเลยเพราะนั้นนี่ไม่ได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าประจำภาษาหลายแห่งนี่มีอาบาัติดนามิโทษด้วยพิสูจน์รูปเนี่ยในวันเข้าพรรษาก็ถือเสนาสนะในวิหารแห่งหนึ่งแล้วไปถือเสนาสนะในวิหารอื่นอีก ถือเสนาสนะก่อนแห่งเธอการถือเสนาสนะอันก่อนเนี่ยย่อมระงับไปด้วยถือเสนาสนะใหม่อันหนึ่งหรือทําอะไรว่าจะอยู่ในวิหารนี้แล้วก็ไปถือเสนาสนะในวิหารอื่นอีกอะไรก่อนแห่งเธอย่อมระงับด้วยการถือเอาเสนาสนะใหม่นี้อันหนึ่งถือเอาเศนาสนะหรือทําอะไรว่าจะอยู่ในวิหารนี้แล้วไปถือเอาเสนาสนะหรือทําอะไรว่าจะอยู่ในวิหารอื่นอีก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 ไ่เลือกไม่ได้เลือกเสนาชนะไม่ได้ขอให้อยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่นั้นยาโลเลไม่เอาไม่เอาผมไม่อยู่ที่นี่ น, นี่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเสนาชนะปฏิสังยุตต์ถาจบก็เป็นเรื่องของการบัตเสนาชนะอเอาแค่นี้ก็แล้วกันสําหรับพระวินัยก็เป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้เกิดศรัทธาปัาทะแล้วก็ทําให้ปฏิบัติในสมถะในสมาธิแล้วก็วิปัสสนาได้เจริงยิ่งขึ้น ก็ขอให้ถึงพร้อมด้วยตรสิกขาแล้วก็เจริญมั่นคงในพระพุทธศาสนาจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันเธอสาธุสาธุสาธุ